50 languages. t y m b a t o Brayok kam sang. v i r o p a o n u o t s n a หวีผมกูเดันนูบาชิโกโทมานะฟนมาดูฟนมาดีเริ่มได้แล้วปรารมบามาดูปรารมบามาดีหยุดเธอนิลลิซูนิลลิซิช่างมัน อันดันูบิดูอันดับนูบิดีพูดมันออกมาอันดับนูเฮดูอันนูเฮลีซื้อมันมาอันดนูคุนดุโกอันดับหนูคุนดุคลอย่าหลอกลวงเด็ดขาดเกินดีกูโมสมารดเบดอย่าซนนะ ยินดีกูตุ่นตะนากาเบย์ดายายาบขายนะยินดีกูอัศว์บยนากาเบย์ดาจริงใจเสมอนะยาว่ากัลูพรามาณิกคนากิรูใจดีเสมอนะยาว่ากัลูสเนห์ปะรณากิรูสุภาพเสมอนะ ยาวา galu sabhya n a g กลับบ้านดีๆนะคะสุขขาวาจีมันยันโนตัลุปิรีดูแลตัวเองดีๆนะคะนิมมันนุนีวูช่นนักินโอดิคุลีมาเยี่ยมเราอีกนะคะชิกรเวนมมันูมัตตุเมเบติมาดี